พระโพธิสัตว์พอได้ฟังอย่างนั้นก็เลยมีพระราชดำรัสว่าสาธุเออดีๆๆนะเราจักไป สัตตะสดกมหาทานสักราตรี 1 คือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเราไหนๆก็จะถูกไล่เพราะให้ทานแล้วจะขอบริจาค อันนั้นวันที่ 3 เราจะไปแล้วก็จะไปโดยทางที่พระราชาทั้งความนั้นแก่ชาวพระ เนี่ยนะก็เสนาคูตก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็พวกสหชาติ 60,000 นั่นมา 700 เชือกม้า 700 ตัวรถ 700 คัน สตรีอีก 700 คนเนี่ยนะโคนมอีก 700 ตัวธาตุ 700 คนทาสี 700 คนจงตั้งๆสิ่งทั้งปวงโดยที่สุดแม้แต่เพราะ แล้วก็เสด็จพอสั่งงานแบบ เพราะว่าตัวเองและสิ่งใดที่เธอนำมาแต่พระชนกของเธอเธอได้สิ่งใดมาจากพ่อของเธอบ้างเธอจงเก็บสิ่งนั้นเอาไว้ให้หมดแล้วก็ ทีนี้ทานางมัสซีราชบุตรีเนี่ยนะผู้งามทั่วกายก็ทูลถามว่า แต่คราว เพราะที่พึ่งของสัตว์ทั้งปวงยิ่งกว่าทาน เป็นขุมทรัพย์ที่จะติดตามตัวไปเพิ่งถวายในท่าน คราวแรกก็บอกว่าให้ให้ทานให้หมดเลยก็ 2 ว่าดูก่อนน้องมัสซีเธอจงเอ็นดูในพระโอรสและธิดากับพระสัสุและพระสัสุระเนี่ยนะก็บอก เธอจงบำรุงกษัตริย์นั้นโดยเคารพเนี่ยนะถ้าใครจะมาเอาเธอเป็น นางนี่ไม่ทันรู้ตัวอยู่ๆแล้วก็มาบอกว่าถ้าใครมาเอาเธอไปเป็นนะให้เธอดูแลก็แสวงหาเอาเธอเอา บทว่ามยาวิปปวะเสนะเตความว่าๆไม่พึงสําคัญเธอว่าเราจักเป็นภัสดาของเธอ เหตุเนี่ยเป็นอย่างมายังไงก็เลยกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เนี่ยนะขัดเคืองเพราะฉัน จะออกจาก 3 อย่างนี้แล้วก็ตรัสว่าฉันจักไปในป่าที่น่ากลัวมีช้างมีเสือเยอะฉันจะอยู่ผู้เดียวในป่ามีชีวิตที่น่าสงสัยอธิบาย ถ้าชั้นไปอยู่ที่นั่นก็มีแต่ พระองค์เสด็จไปแต่พระองค์เดียว นะที่จริงตายมันก็จากอีกวิธีหนึ่งตายเสียในไฟนั้นประเสริฐกว่าพรากจากพระองค์เนี่ยจะประเสริฐอะไรนางช้างพังไปตามช้างพลายเนี่ย เที่ยวไปอยู่ตามภูผาทางกันดารสถานที่เสมอแลไม่ พระนางมัสสีราชกัญญากราบทูลพระภสดาอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงพรรณนาถึงหิมวันตประเทศปะหนึ่งว่าได้เคยทอดพระเนตร ไม่ทราบด้วยอะไรเนี่ยนะก็พูดถึงว่าเคยเหมือนเคยอยู่ป่ามาอย่างดีมาละ ผู้ที่มีราชสมบัติก็ถือว่ามีของรักเป็นอย่างดีทีนี้ถ้าจะต้องจาก 2 นี้ โอมีเสียงเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง 2 นี้ผู้มี ก็นึกให้มันง่ายก็นึกถึงรีสอร์ททั่วการกันก็แล้วพระองค์ทอด ถ้าองค์ณอาศรมรมณียสถานจักไม่ทรงระลึกถึง พระองค์ก็ไม่ต้อง 60 ปีเที่ยวอยู่ในป่าตัวเดียวเมื่อ 60 ปีเที่ยว เมื่อใดกุลชรชาติมาตังคะ ชาติภัยเป็นหมู่ไม้ทั้ง 2 ข้างมะคาอันเกลื่อนกล่นไปด้วยพานมฤคเมื่อนั้นจะไม่ระลึกถึง เมื่อใดพระองค์ได้ฟังเสียงกึกก้องแห่งกระแส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 เมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยุงพวกเกลื่อนไปด้วยฝูง <c oughs> Ming on ik เกลื่อนไปด้วยฝูงนาง nog jong เนี่ยนะ jong. แพรนอยู่เมื่อนั้นก็จะไม่ระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ทอด Song. เนตรเห็น Fung. พฤกษาชาติอันบานแล้วส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปในฤดูและพื้นดินเนี่ยเขียวชอุ่มคล่มไปด้วยแมลงค่อมทองในเดือนเหมันต์เมื่อนั้นจะไม่ Ben. ถึงราชสมบัติแสดงว่าแปะเป็นนักชม เมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นรุกขชาติอันมีดอกบานสพรั่งคืออันชันเขียวที่กําลังพลิยอดอ่อนต้นโลดบัวบกเนี่ยนะมี ไอ้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยพระนางมัสสีไม่เคยไปเห็น ที่ 2 เนี่ยนะเค้าเรียกว่าหิมวันตกันเนี่ยนะกันว่าด้วยไปอยู่ป่าหิมพานแต่ว่ายังไม่ทันได้ไปนะแต่ว่า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 ทีนี้พระนางพุสเดราจเทวี ฉเหลียงหามเนี่ยประดับตกแต่งแบบทองซะส่วนใหญ่ 2 กษัตริย์พูดอย่างนั้นก็เลยร้องแม่ก็ พระนางพุสดีราชบุตรีพระเจ้ามัททราชผู้ทรงยศได้สดับพระราชโอรสและพระสุนิสา ทุกกายก็ทุกทุกใจก็ทุกเหมือนกันแล้วก็ทุกเพราะของรักก็ทุกเนี่ยนะพลัดพรากจากของรักประจวบกับสิ่งอัน อันน่ะวิปปโยคทุกข์เนี่ยนะยังไม่ทันวิปปโยคแต่รู้ว่าจะวิปปโยคคือการพลัดพราก เอาเชือกผูกคอตายซะยังจะดีกว่านะไปถึงก็จะขอตายอย่างเดียวเลย คนดีขนาดนี้ถ้าไม่ชาวบ้านชาวเมืองจึงให้ไล่นี้อีกเหตุชาวนครซีพีจึงจะให้ขับไหร่เจ้าเวทสันดอนลูกรักผู้ไม่มีโทษผิด ประพฤตถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในราชสกุลเหตุไฉนชาวซีพีจึงได้ขับไล่ลูกเวสสันดร พระนามพุทเสดก็คร่ำครวน รังผึ้งร้างเหมือนผลมะม่วงลงบนพื้นดินฉะนั้นนะก็คราวว่ารวงแล้ว ข้าแต่พระมหาราชเจ้าเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันเลยพระว่างั้นซึ่ง แว่นแคว้นของพระองค์ก็จักสาธารณะแก่คนทั่วไปเนี่ยนะ จะเป็นที่รักกว่าชีวิตของเราเราก็จะ ก็ทําโดยเคารพยําเกรงต่อขัตติยราชประเพณีธรรมของโบราณในศรีปิรัต <c oughs> และราวกับป่าดอกกานิกาไปตามเสด็จพ่อพระเวสสันดรผู้เสด็จไปไหนวันนี้พ่อจะไปแต่พระองค์ แสงสีดุจแมลงค่อมทองตามเสด็จไปไหนไหนวันนี้พ่อจะเสด็จไปแต่พระองค์เดียวแต่ก่อนพ่อเคย พรานรําขับร้องจะต้องทรงหนังเสืออันหยาบขรุขระและ ทีนี้แม่มะสีเนี่ยนะก็ห่วงลูกสะไพอีกห่วงลูกเสร็จก็ไปห่วงสะไพต่อว่านี่แม่มะสีจะแม่มะสีเคยทรงภูษามาแต่แคว้นกาสีและโขมพัทธ์และโกธมพรพัทธ์เนี่ย คานหามและรถพระที่นั่งวันนี้แม่ผู้ที่ตีไม่ได้จะต้องดําเนินไปตามวิถีด้วยพระบาทแม่ ไปไหนเคยมีสตรีนับด้วยป่าเนี่ยโอ๊ยนึกไม่ออกเลยนะมันลูกกษัตริย์ ร้องอยู่ก็จะต้องสะดุ้งกลัวเนี่ยองค์สั่น มาแล้วไม่มีลูกมีหลานอยู่เลยมันจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยนะปกติเข้ามาแล้วจะต้องเห็นลูกเห็นหลานเห็น ก็บอกว่าตัวแม่รักตัวแม่แลไม่เห็นลูกก็จะ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 3 ชั้นไม่มีเห็นลูกสะพายลูกแล้วก็จะทุกข์กันนะเพราะ<อ>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 รังเนี่ยนะ